สรุปสาระสําคัญของวิสุทธิมัติข้อคอระดับปัญญาหรือเรียกเป็นศัพท์ว่าอาธิปัญญาสิกขาขั้นที่หนึ่งญาติปริญญาคือรู้จักสภาวะซึ่งแบ่งเป็นขั้นย่อยอีกสองขั้นคือขั้นกําหนดทุกขสัตตกับขั้นกําหนดสมุทัยสัตขั้นย่อยที่หนึ่งขั้นทุกขวะวัฏฐานคือกําหนดทุกขสัตรตรงกับวิสุทธิที่สาม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 แสงและรูปหรือสีเป็นรูปธรรมจากขวิญญาณหรือการเห็นเป็นนามธรรมดังนี้เป็นต้นยาตะปริญญาขั้นย่อยที่สองขั้นสมุทัยว่าวัฏฐานคือกําหนดสมุทัยสัตต์ตรงกับวิสุทธิที่สกังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุท ธ, ธิแปลว่าความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัย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 อันเป็นความรู้ที่ทำให้สิ้นความสงสัยเกี่ยวกับการทั้งสามคืออดีตอนาคตและปัจจุบันความรู้นี้กาหนดเป็นยานขั้นหนึ่งคือเป็นยานขั้นที่สองในโศรถยานยานนี้บางทีเรียกว่านามรูป ป, ปัจจยปริฆาญยานแปลว่ายานที่กาหนดปัจจัยของนามรูปยานขั้นนี้เรียกได้หลายชื่อว่าธรรมมัทธิติยานบ้าง ยถาภูตญาณบ้างสัมมาทัศนะบ้างผู้ประกอบด้วยญาณขั้นนี้พระอัฏฐกถาจารย์เรียกว่าเป็นจุลโสดาบันคือพระโสดาบันน้อยเป็นผู้มีคติคือทางไปก้าวหน้าที่แน่นอนในพระพุทธศาสนาปริญญาขั้นที่สองตีรณปริญญาคือรู้สามั ญ, ญลักษณะหรืออย่างถึงไตรลักษ์ตรงกับขั้นมัคควะวัฏฐาน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 พิจารณาไปตามลำดับไตรลักษ์แต่ละอย่างในทํามนองเดียวกันนั้นซึ่งข้อธรรมทั้งหลายนั้นรวมความก็อยู่ในขันห้านั่นเองจนเริ่มมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลายเรียกว่าเกิดเป็นตรุณวิปัสนาคือวิปัสนาญาณอ่อนๆในช่วงนี้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิปัสณูปกิเลส10ประการขึ้นมาชวนให้หลงผิดว่าบรรลุมรรคผลแล้ว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 เมื่อความรู้นี้เกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นมัคขามัคะญาณทัศนวิสุทธิในวิสุทธิข้อนี้มีเนื้อหาซับซ้อนที่พึงทําความเข้าใจคือการเจริญวิปัสนาในขั้นที่จะทําให้เกิดวิสุทธิข้อนี้เรียกว่านยวิปัสนาแปลว่าการเจริญวิปัสนาโดยนยะคือพิจารณาโดยจับแง่ความหมายตามแนววิธีที่ท่านแสดงไว้ในพระบาลีเช่นว่า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 และหยานนี้ตอนนี้เองที่เรียกว่าดรุนวิปัสนาหรือตรุณวิปัสนายานแปลว่าวิปัสนายานอ่อนๆผู้ได้ดรุนวิปัสนานี้เรียกว่าอารัตถวิปัสสะแปลว่าผู้เริ่มเห็นแจ้งหรือผู้ได้เริ่มวิปัสนาแล้วและในตอนนี้เองวิปัสนูปากิเลชเช่นโอภาสคือแสงสว่างแสน ง, งามเป็นต้นจะเกิดขึ้นชวนให้หลงผิดและติดใจ ถ้ารู้เท่าทันผ่านพ้นไปได้กำหนดแยกว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางได้แล้วก็เป็นอ่านจบสิ้นวิสุทธิข้อนี้ปริญญาขั้นที่สปราหนปริญญาคือรู้ถึงขั้นละความหลงผิดถอนตัวเป็นอิสระได้ตรงกับวิสุทธิข้อ6ปฏิปาาทาญาณทัศนวิสุทธิและวิสุทธิที่7ญาทณทัศนวิสุทธิวิสุทธิที่6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 ที่ผลจากวิปัสสุกิเลสแล้วเป็นต้นไปจนสุดทางแห่งความเป็นปุถุชนหรือสุดวิปัสนาวิปัสสนาญาณเกมีดังนี้ 1. อุททยพย า, ยานุปัสสนาญาณหรือเรียกสั้นๆว่าอุทยพย า, ยานถ้านับในโสรถญาณก็เป็นญาณขั้นที่สอุททยพย า, ยานนี้เป็นญาณอันตามเห็นความเกิดดับ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 ย่อมเกิดความนายไม่เพลิดเพลินติดใจวิปัสสนาญาณข้อที่6มุนจิตุกรรมมัตายานถ้านับในโสรถญาณก็เป็นญาณขั้นที่9มุนจิตุกรรมมัตายานนี้เป็นญาณอย่างรู้ที่ทำให้ต้องการจะพ้นไปเสียคือเมื่อ น, น่ายสังขารทั้งหลายแล้วย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปเสียจากสังขารเหล่านั้นวิปัสสนาญาณข้อที่7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 มรรคญาณและผลญาณก็เป็นญาณขั้นที่14และ15ห้าตามลาดับถัดจากบรรลุมรรคผลด้วยมรรคญาณและผลญาณแล้วก็จะเกิดญาณอีกอย่างหนึ่งขึ้นพิจารณามรรคผลพิจารณากิเลสที่ละแล้วกิเลสที่ยังเหลืออยู่และพิจารณานิพานเว้นพระอรหันต์ซึ่งไม่มีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่เรียกชื่ญาณ น, นี้ว่าปัจเจเวขณะญาณ